คนบวชก่อนเ น, นีน่แสดงว่าเขาอดทนมากเขาเรียกว่าพรรษาเยอะพรรษาเยอะนี่ทําไมถึงเอาตามพรรษาพระในี่ว่ากาันทำพรรษาอะไรพรรษาเนี่ยเพราะว่าคนบวชก่อนต้องอดต้องทนมากอ่ะเพราะอดต้องทนมากมีคุณธรรมในใจมากพอมีคุณธรรมในใจมากเขาก็ให้รับก่อนเวลารับอาหารนี่ก็คขไม่เอามากอ่ะเพราะเขาทนเขาอดเขาฝึกมาแล้วคนบวชที่หลังเขาให้รับที่หลังนะไม่ใช่ให้รับก่อนนะทําเบาๆทําเบาๆตักอาหารนี่ ย๋ยมันเสียงดังไม่ได้กินก็นมีนะกําลังตักอยู่เลยเสียงดังลูกเต่าเอาเลิกเลิกเทให้หมาเลยนะเพราะที่นี่เราไม่ได้สนใจเรื่องอยู่เรื่องกินอะไรมาก ไ, ม, ไม่ได้คิดเรื่องเสีษดตะกิตไม่ได้เสียดายอาหารอะไรนะกินยังไม่เป็นก็จะเพิ่งให้มันกินอะไรประมาณนั้นทาเบาๆทีเมียบทําเหมือนไม่มีอะไรเนี่ย คนโทรศันี่หนึ่งตักอาหารกับแรงสองเวลาเดินก็ตับตับตบตบตพวกโทรศัเยอะนี่ต้องเดินเบากินมาทําอะไรทำเบาเบีนะ่ยปวดทุกเบาเนี่เขาเรียกว่าเยี่ยวนะเยี่ยวนี่คือเบาไปเบาไปหนักเนี่ยเบาคือทุกมันเบาตัวนี้มันไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าไปถ่ายอุจจาระเนี่ย หรือว่ามันหนักทุกมันหนักปวดทุกหนักไปหนักนี่เขาเรียกว่าหนักนเบาอันนี้ก็ให้เห็นว่าเห็นว่ามันเบานะ่ะอนนนนนนันเนี้ยงานชิ้นนี้งานเนี้เนี่ยเป็นเรื่องภายนอกที่ดูง่ายมันเบาเบาก็าจัดการกับมันลตุตาไปเห็นคนอินเดียเขาขึ้นกระเช้าของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นี่จะขึ้นไปที่เขาคินชา ก, กูดเนะี่ยเขาเข้าแถวกันดีจังนะ่ะจนค่ำก็ยังเข้าแถวอยู่นะ มันหลอ่ะเป็นสองสามกิโลน่นะเยอะไม่มีกันรัดคิวกันนะหมู่บ้านไหนมาทีหลังก็ต่อแถวยาวไปเรื่อยๆไม่มีอ่ะค่าก็คือค่ามืดก็คือมืดมาคนนอนนั่นอีกตื่นมาขึ้นใหม่มันหมดเวลาเขานะ่ะเขาไปนอนเฝ้าเพื่อขึ้นกระเช้านี่ไปคือคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ค่อยมีส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกมันอย่างกัน ทำถนนทำกระถางต้นไม้ขุดล่องขุดอะไรเขามนุษย์ขุดหมดอะ่ะทั้งที่อินเดียนีย่ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้นะไอที IT เขาก็เยี่ยมนะแต่เขาใช้คนใช้กำลังคนทำกระถางต้นไม้ขุดล่องน้ำตามถนนตามอะไรปูตัวหนอนพวกนี้เขาใช้คนหมดแต่คนเขามีระเบียบเห็นไหมปรากฏการณ์ที่เกิดใหม่ๆนี่ก็คือ นักศึกษาอินเดียถูกคมขืนคนหนึ่งเพิ่งตายวันก่อนแต่เหตุการณ์ที่ตามมาก็คือทั้งเมืองเขาเดินขบวนต่อต้านนะนี่เพราะผู้หญิงถูกทำลายเนี่ยทั้งหมดเลยรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ต้องออกมารับผิดชอบคือสังคมเขาไม่เคยมีแบบนี้ดูที่ขนาดคนขอทานเขาเต็มถนนนะ อันนั้นนี่มันน่าจะมีปัญหามากมายนะเรื่องประเพณีเรื่องประเว ณ, เเวณีเรื่องอะไรประมาณแต่เขาไม่มีนะเขถือว่าเป็นเรื่องประหลาดมากนักศึกษาไปเที่ยวกับผู้ชายกับเพื่อนเขากลับบ้านผู้ชายถูกตีบนรถแล้วคนรถเนะ่ะคมขืนสามสี่คนเขา้าโรงพยาบาลเพิ่งตายพราะเขาเอาทั้งเหล็กทิ่มเอาทั้งอะไร แต่เขาต่อต้านกันมากไปไม่รู้กี่เมืองแล้วเนี่ยเขาต่อต้านเรื่องอันนี้ขอให้เอาคนผู้ร้ายเนี่ยมาทำโทษให้ได้เขาจับไปแล้วหกคนเจ็ดคนแล้วเนี่ยอินเดียเขาขยะขยงเรื่องแบบนี้มากนะแต่ก่อนจีนพันห้าร้อยล้านคนอินเดียพันสามร้อยล้านคนแต่อินเดียนี่กฎหมายเขา ไม่มีคุ้มกําเนิดนะเขาไม่มีคุ้มกําเนิดแต่ปัญหาเรื่องแบบนี้ไม่มีเนะี่ยพวกฮินดีนี่คนไหนที่ชูนโยบายคุ้มกําเนิดอย่างคานทียินทีาาราคานทีเนี่ยคุมคนชูนโยบายว่าจะคุ้มกําเนิดดิเขาไม่เลือกเลยนะมันผิดกฎหมายเป็นกฎศาสนาเขาอะก็ตกดิพักใหม่ได้ขึ้นมาเป็นนะ นันไปคุยเรื่องคุมกําเนิดเรื่องอะไรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เขาเลยกว่าอืมอินเดียนอีกสักห้าปีสิบปีเนี่ยคนมันจะแซงจีนไปได้เพราะจีนนี่เขาคุมกําเนิดดีเขาบังคับหนึ่งคนเท่านั้นนะหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนอินเดียไม่ไม่มีไม่มีคุมกําเนิดประเทศไทยเรานี้นโยบายมีมดทุกอย่าง แต่คนมันมักง่ายคนไทยนี่เอายังไงก็ได้มักง่ายสบายสบายแต่ฝรั่งเขายกย่องสรรเสริญ น, นะว่าประเทศไทยนี่เกิดวิกฤตปฏิวัติแต่ละครั้งเนี่ยหรือเกิดเดินขบวนเป็นแสนเป็นล้านในแทนที่จะฆ่ากันไม่ฆ่าเขาบอกแทนที่จะบ้านเมืองจะแตกไม่แตกเขาอัศจรรย์ฝนนะรั่งเนี่ยเขาอัศจรรย์คือถ้าต่างประเทศเขาว่าถ้าปานนี้แล้วก็คือเละเทะไปแล้วนะ แต่บ้านเราเนี่ไม่มีเลิกก็คือเลิกไอ้ที่เราว่าวุ่นวายเนี่ยมันไม่ได้วุ่นวายเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบต่า ง, างประเทศเนอเมริกาเนี่ยรัฐอย่างรัฐวอชิงตันเนี่ยวันหนึ่งคดีทำร้ายร่างกายคดีประทุสรายร่างกายเนี่ยวเฉลี่ยวันหนึ่งสิบหกครั้งนะวันหนึ่งนะ่ ขณะเขาเป็นเมืองที่รวยนะเมืองที่ม่มีปัญหาเมืองที่ระเบียบดีนะเนี่ยเขายังมีเยอะกว่าเราอีกพอเราไม่ค่อยมีเนี่ยยังไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุมาถึงวันนี้เนี่ยจังหวัดตราดจังหวัดตราดยังไม่มีอุบัติเหตุปีใหม่ในเจ็ดวันอันตรายจังหวัดตราดตราดตัวยอ่อมันเขียนยังไงหรือว่าตอดกอุยุ่งนะ ภาษาฝรั่งในเขาเอาตัวหน้ากับตัวไทยมีจังหวัดเดียวอะที่ยังรอดอยู่เนี่ยจังหวัดอื่นก็คือมีบาดเจ็บมีล้มตายแต่สรุปก็คือก้มลงหน่อยหนูเดินมานะ่ะเออนนะก็คือดีกว่าปี่ก่อนเน่ะคนตายน้อยลงมันน้อยลงแน่ๆนะถ้าห้ามกินเหล้ากินยาข้างถนนขายยาเข้าขายยาเนี่ยมันดีแน่ๆนะ่ะ แต่จะไม่ให้ตายโลาคงไม่ได้เอามาแล้วก็ไหว้คือมาแบบมีสติไปแบบมีสติกินแบบมีสติทำอะไรก็บแบบมีสติเนะี่ยจะดีชีวิตนั้นท้าประทานอาหารเราก็ไหว้ขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จริงอยู่ที่ไหนคือพยายามที่จะเอาใจที่นนุ่มเนี่ยสู้กับอะไรทุกอย่างโดยโดยอาศัยความนุ่มนวลอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย สู้กับช้างนาาคิลิงเนี่ยมันวิ่งมามันจะฆ่าวร ะ, ะเจ้าพระยาเจริญเมตตาเมตตัมภูเซกวีจินาจิแตว่ามุนินโทตันเตเจเสวตุเตเจมังการานิสู้ด้วยเมตตาเมตตามีเมตตามเ ม, ต า, เมตากับทุกอย่างเมตากับสรรพสัตว์เมตากับอารมณ์ตัวเองนั่นแหละจริงๆเนี่ยนะนะแล้วมันก็ไม่ทุกข์กับอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราใช้โทสะไปปึ้งก็รีเฟกแหละตุมกลับคืนมานี่โกรธมากทุกมาก ชังมากเจ็บมากรักมากโกรธมากเกลียดมากเหมือนกันเลยแต่ถ้าไม่รักไม่ช่างไม่โกรธไม่เกลียดมันก็ธรรมดาธรรมดานะไม่มีอะไรอ่ะเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดเกเจ็บตายธรรมดาชีวิตนี้